50 languages. 59. ที่ทำการไพรสีที่ทำการไรส์ีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ที่ทำการไพรส์นีใกลจากที่นี่ไหมทีหัรู้ว่าดักการเนเดะตู้ไพรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนศัพทตัวนัดดีก์ดักเปียติิเทดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงเมนูกุจดักติ๊กตาใจดียังไงสำหรับการและจดหมาย ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไรอเมริกาเดลัยดักค่าใช้จ่า่าเหพัสดุหนักเท่าไรอิสแพคเก็ตเดาวจนกี่น้าเหดีฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมคือแม้สโนว์ฮาวายดักรา คม่ักดีใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงอกกิดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนมทดัตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนสนจดีเทลฟนบูธท คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ k ื t ตัว e าเดค Telephone Card เฮ้ยคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะคือตัวหาเดโคล Telephone Directory เฮ้คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะคือตัวหาหนูออสเตรียดักเคทรีโคดพตาเรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ एक मिन्ट रुको, मैं देख दा हाँ, एक मिन्ट रुको, मैं देख दी हाँ साय में वांग तलोड वेला लाइन व्यस्त जा रही है खुन तौब अलय तुसी केड़ा नंबर मिलाया है खुन तोंक गट सून कौन त ु ह ा न ु सब तो प ह ल ा सिफर लगाना च ा ह िै